าถามงคลจักรวาลแทิศอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมานาเขเ ต, เตสัมันตาสตายโยชนะสตสหัสานิพุทธชาลปริเขเ ต, เตรักขันตุสุรักขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเ ต, เตสมันตาสตยโยชนะสตสหัสานิธรรมชาละปริเขเ ต, เต ร, รักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชะเซมานาเขเ ต, เตสัมมันตาสตโยชนะสตสหัสานิปัญเจกะพุทธชาละปริเขเ ต, เตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชะเสมานาเขเ ต, เตสมันตาสตายโยชนะสตะสหัสสานิสังฆะชาละบริเขเ ต, เตรักขันตุสุรักขันตุ